ถ้าให้ได้ผลนะเสพคุณบุคคลทุเรทวรบัณฑิตเยอะๆอูใกล้ท่านไว้ใครจะมีโอกาสอยู่ไกลอยู่ใกลเลยในในดูเป็นดีประทานั่นไว้ถ้าห่างนิดเดียวเสพร้อยมาๆ เ, เนี่ยเห็นพระหลายๆรูปเนี่ยความตั้งใจดีเนี่ยจะเสียธรรมกลางที่สุดหมดเลยท่านไปได้ไม่รอดบางทีมันเหมือนว่าโอ้คุณเถี่ยท่านเข้าใจแล้วนะพอเดินก็เป็นนั่นจริงๆแต่ข้ า, ขาประปะเสนเสปะอยู่อย่าเงี้ยพอไปดูอีกทีกลายเป็นคนเหมือนนะัเข้านั่งเขยิ่งฝุดยาก ยิ่ปล่อยวันเวลาไปยิ่งฝุดยากมันด้านเนียจิตมันด้านจิตมันเฉยจิตมันไม่ไปมันไม่รู้จะพัฒนายังไงเหมือนหมดหมดรถหมดกําลังอ่ะเหยียบได้แค่นั้นอ่ะเหยียบไปเดี๋ยวพังแกะแกะแกะแกะกันว่าเยีแล้ ว, วตัวถังใส่แ ล, แล้วก็เลยกําลังรถมันหมดใช่ไหมที่จริงมันต้องใช้อุบายเยอะอุบายวิธีนี่ความเป็นผู้รอบรู้อะไรต่างๆมากมาย ตรงนี้มาเล่าให้ฟังตรงเนี้ยรายละเอียดจะไม่ไม่ตามไปแล้วแต่ต้องการอยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ระมัดระวังแล้วก็จะได้รู้เนื้อรู้ตัวว่าจริงๆอะไรเกิดขึ้นเนาะทีนี้ในครั้งแล้วก็พูดถึงในเรื่องของในพูดถึงในเรื่องของอัตกถาอัตกถาพูดถึงในเรื่องของเวทนาเนี่ยแหละเป็นไปตามลําดับแล้วก็ได้เล่ารายละเอียดในครั้งที่แล้วเนี่ยในเรื่องของควรเสพไม่ควรเสพเป็นต้นเหล่านี้จนถึงเวขาเวทานาก็จบไปนะ อุเบกขาเวทนาที่เดินได้ยังยังใช่ไหมอ้าวว่าอุเบกขาเวทนาสังหน่อยเดี๋ยวก็จะไม่ไม่ครบองค์ยนนะในทางด้านของเบกขาเวทนามีสอส่วนเนาะเป็นอุเบกขาเวทนาที่ควรเสพกับเวกขาเวทนาที่ไม่ควรเสพอุเบกขาเวทนาใดที่เสพแล้วกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมอุเบกขาเวทนาประมาณนั้นก็คือไม่ควรเสพนะส่วนเวกขาเวทนาที่บอกว่าเมื่อเราเสพเวทนานี้อยู่กุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญขึ้นนะเบกขาเวทนาเหล่านั้นก็ควรเสพใช่ไหม ในบรรดาวเวขาสองอย่างนั้นเวขาอันใดมีวิตกวิจารณอันใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารณอเวขาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ก็พระนี่กว่าเนาะอันนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วดูก่อนจอมเทพอัตมาภาพกล่าวอุเวขามีสองส่วนนะที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็นี้ก็มีที่กล่าวมาดังนี้กล่าวโดยอาศัยข้อนี้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้จึงชื่อว่าดําเนินปฏิปทานสมควร ที่จะให้ถึงความดับส่วนแห่งสัญญาประกอบไปด้วยปปัญญธรรมว่าน้นพระพุทธเจ้าก็อันเท้าสกาดทูลนถามแล้วก็ทรงพยากรณ์้วยประการชนิดตรงนี้ก็คือท้าสกาดจอมเทพดีพระไทยชื่นชมพาสิทธิ์ของพระบรมศาสดาบอกว่าข้าแต่พระผู้มีอภิภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคดข้อนี้เป็นอย่างนั้น ในข้อนี้ข้าพระองค์ข้ามพกข้ามพ้นความสงสัยแล้วปราศจากถ้อยคำที่จะพึงพูดอย่างไรแล้วเพราะได้ฟังการพยากรณ์ปัญหาของพระบรมศาสสดาแล้วเป็นต้นตรงนี้ก็คือท่านกม็มาขยายในภาคของอัตถกาถาบอกออเวขาที่ไม่ควรเสพเขาเเคหิสิตาเนี่ยนะหือเคหาสิตาเนี่ยไม่พึงเสพออเวขาเห็นปานนั้นความว่าอันนี้ในหน้าที่ยีบเก้านาะอัตถกถาท่านมาขยายตรงนี้ก็ไว เอามาตัดมานิดหน่อยไม่ได้เอามาทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันดึงมาทั้งหมดก็ก็เป็นเรื่องยาวในการศึกษาคําสอนซึ่งข้อจํากัดของพวกเราทั้งหลายเจวันศึกษาอยู่สามสี่ชั่วโมงแค่นี้เนี่ยเป็นข้อจํากัดค่อนข้างน้อยมากเอามาขนาดอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาว่างก็ต้องรีบมาสนทนาว่างก็ต้องรีบมาสนทนายังบอกโอ้เวลาของเราเหลือน้อยลงน้อยลงจะไม่ทันการแล้ว มาถามกันแบงนี้ตลอดจะไม่ไหวแล้วจะไม่ทันแล้วต้อ <c> ง <oughs> คิดอย่างเงี้นะมาคิดกันอย่างเงี้นะเออเวลาเราเหลือน้อยนะครับ <c oughs> ก็ยมลองคิดดูเวลาเขายมไม่ทราบว่าเหลือน้อย เ, เหลือมากกันเนี่ยนะแน่นมาอีกคคุยกันทุกวันโอ้โ ห, หเหลือน้อ ย, อยจริงๆเยอะบางคนเหลือน้อ ย, น, อ ย, น, อ ย, ย, อยน้อยนอยเยอะเลยเนาะน้อยเยอะเลยแต่อย่าใจร้อนเนี่ยสิ่งที่เราเล่งเราเราตั้งมั่นทุกวันเนี่ย เพียงแต่ว่าอย่าประมาณฟังทำเยอะๆเข้าใจนะฟังตั้งใจฟังไปอ่านแล้วฟังอ่านแล้วฟังคลาวดไปเลยพอมันเกิดความเข้าใจขึ้นมานะแต่นี้มันไม่ติดขัดยังไม่ติดขัดก็คือสามารถที่จะเดินการปฏิบัติในเรื่องทุกที่ได้เลยทีนี้เอามายกตัวอย่างเช่นเราย้อนกลับไปดูเราศึกษาสัมพัชญะบัพพอสมควรแล้วเราย้อนกลับไปดูเนะ่ยเรนต้องย้อนย้อนกลับไปฟังใช่ไหมอภิ ก, กันเตปฏิ ก, กันเตสมัมพชานาการีวอเตีย การกล้าวไปในการถอยกลับในการแร่ในการเหลียวในการคู่เข้าเหยียดออกใช่ไหมในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิฟต์ใช่ไหมทรงภาพสังฆติบาทและจีวรอันนั้นเราเสื้อภาาของเราพึ่งนุ่มุงไปแล้วก็ในการถ่ายเจริปัสวะแล้วก็ในกรณีในการในการยืนในการเดินในการนอนในการนั่งการพูดการการยืนการเดินการนอนการนั่งการหลับการตื่นการพูดก็นิ่งอะ แสดงว่าสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดของท่านแปลว่าอะไรท่านกันบาปไว้ในเอียบุตรไม่บาปอกุศลธรรมมันลามวกมันไหลท่วมทับจิตของท่านเลยไมห่หมุนเข้าสู่กระแสจิตเลยแปลว่าอย่างเนี้ยเขาเรียกพร้อมคนที่หลีกหลีกเล่นหลีกออกจากมูแล้วหาเวลาขัดเกลาได้อย่างนี้จริงๆเนี่ยเขาเรียกคนพร้อมคนพร้อมต่อการที่จะเดินเข้าสู่การละนิ่ว่าเราทำท่านในกรณีอย่างเราท่านทั้งหลายที่ปล่อยตัวปล่อยใจเนี่ยเขาเรียกคนผอมา คนปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยในกรณีอย่างเงี้ยอยากคิดอะไรก็คิดอยากฟุ้งอะไรไปก็ฟุ้งอยากจะไปในเรื่องไหนก็ไปอย่างเงี้ยนะไม่เรามัดระวังความคิดเลยเนี่ยเขาเรียกคนประมาทไอ้ยกตัวอย่างเช่นอย่างเรานั่งอยู่น้าตรงเนี้ยเราจะเหลียวซ้ายเราเหลียวดันทีเลยไหมเราเคยคิดก่อนไหมว่าการเหลียวครั้งนี้บาปของสด็จาาลามกมันจะไหลท่วมทับไหมไม่คิดเคยคิดเลยใช่ไหม แล้วจะเหลียวไปทางขวาเราเคคิดไหมว่าบาปอกเสือร่ายธรรมมรามโรมันจะเกิดก่อน ว, วิจัยก่อนไหมงานในการที่จะจะเหยียดมือออกหรือในการที่จะคูเข้าเนี่ยเราก็คิดก่อนไหมว่าบาปปกเสือร่ายธรรมล้วรามโรมันจะไหลท่วมทับจิตเนี่ยไม่เคยคิดถึงเมื่อจะกินอาหารเข้าปากแต่ละครั้งเ่ยเคยวิจัยก่อนไหมว่าบาปอกเสือร่ายธรรามันรามโรมันจะไหลท่วมเนี่ยคือการปิดบาปของพวกเราเนี่ยอ่อนแอมากเมื่อมันปิดบาปเนี่ยออกแบบประเภทที่อ่อนแอแบบนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นโรคเนี่ย เขาเรียกว่ามันระดับท่านโค ม, มา่าใช่ไมมันจะไม่ไหวแล้วหมอเห็นสายหัวแล้วไม่รู้ไม่รู้จะรักษาอย่างไงเนี่ยนะระดับพระเจ้าเห็นพวกเราพระเจ้าก็ก็ในรักษา บ, บอกว่ า, าให้เป็นอัทยาสายาอีกหลายพบเนี่ยนะ ม, นามาเคยเจอหลายหลายท่านนะมีความตั้งใจอยากจะพ้นทุกน้องไปปฏิบัติเป็นจริงๆเนี่ยนะแต่พอไปไปดูความเข้าใจในพระธรรมแล้วนะ มันเหมือนว่าอยากขับรถแต่ความรู้ในเรื่องการขับรถไม่มีเลยเข้าใจใช่ไหมมันมีน้อยมากเนี่ยอยากจะปลูกบ้านแต่ความเข้าใจในการปลูกบ้านแทบไม่มีเลยเนี่ยเข้าใจมุมนี้ไหมไอ้ตรงนี้ก็เราทั้งหลายก็ไข้ควรได้ถุกตรงนี้คําว่าอุเบกขาในที่นี้ท่านก็บอกบอกว่าอุเบกขาที่อาศัยการมาคุณเพื่อสร้างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะเขาเรียกอาศัยเรือน อาศัเรืออาศัยกามคุณเนี่ยท่านทิ้งอุปมาว่าติดขัดแล้วก็ติดข้องในกา ร, รมาคุณนั่นเองไม่สามารถที่จะล่วงเลยรูปไปได้ไม่สามารถที่จะล่วงเลยเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเป็นต้นไปได้เหมือนมแมลงวันตอมตอมงบน้ำอ้อยพอมาตอมงบน้ำอ้อยเบรศจบินออกไปด้วยพักนี้ออกได้ไหมบินกลับมาใหม่อีกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนมแมลงวันเนี่ยตอมงบน้ำไอไ้อยนั่นแหละ เราท่านทั้งหลายติดเวทนาในการมคุณไปแล้วทั้งท่านที่เราบอกอ๊้เราไม่ติดเลยเราเฉยเฉยให้เฉยเฉยนํามีโลผ้าเวขาเข้าครอบงําเรียบร้อยแล้วอ่ะเราอยู่ที่บ้านเนี่ยอบ้านหลังนี้เราเฉยเฉยไหมเฉยเลยใช่ไหมประตูก่อนประตูนี่แหละบันไดก็บันไ ด, น, ดนี่แหละห้องนอนก็ห้องนี้แหละหน้าดาลูกหน้าคนนี้แหละเห็นหน้าก็เฉยเฉยเนี่ยนะ หน้าตาเพื่อนๆผู้งุ๋งทั้งหลายที่ยืนเป็นสมาชิกในบ้านกับคนๆเนี้ยดูก็เฉยๆแต่เฉยๆอย่างนั้นมันเฉยๆแบบประเภทอาศัยเรือนเรียบร้อยแล้วมันเหมือนมแมลงวันนั่นแหละตอมงบน้ำอ้อยมันกินทุกวันมันก็เลยเฉยๆแต่ถามว่ามันออกจากไอ้งบน้ำอ้อยนั้นได้ไหมแมลงวันนั่นนะปุรุชนคนบอร์ดก็อย่างนั้นแหะก็ไม่สา ม, มารถที่จะออกจากไอ งบน้าอ้อยออกจากวัตถุกรรมคือรูปเสียงกิจรสสัมผัสที่เรามองว่ามันเฉยเฉยะได้ชั้นใดฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าอุเบกขาที่อาศัยเรือนเนี่ยนะฉะเคหะสีตาอุเบกขาเนี่ยพราะเห็นรูปด้วยตาอุเบกขาก็ตั้งขึ้นกับปุทุชนผู้โง่เขาตรงเนี้ยถ้าไปดูในสูตรท่านจะคำว่าปุถุชนอุมาเดโรยานเนี่ยปุถุชนเหมือนคนบ้านหรือเป็นคนบ้านเนี่ยนะจิตบ้า จิตของบุรุชนเนี่ยสัดสายแล้วคุมจิตไม่ได้คมจิตไม่ได้ไม่ชนะกิเลสอโนุทิชินาเนี่ยยังไม่ชนะวิบากอาวิปากาชินศาศไม่เห็นโทษอนาทีนวัทัศน์ภาษาวิโนเนี่ยคือไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมที่เป็นวัตุกรรมไม่เห็นโทษของกิเลสกรรม ไม่เห็นโทษของรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันมีโทษไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจสรุปก็คือว่าไม่เห็นโทษของโต๊ะอันนี้พี่อ่ะไม่เห็นโทษของการมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามกระใจีต้นไม่เห็นโทษอยู่กับมันก็เฉยกับมันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยเห็นโทษเลยโทษไม่เคยปรากฏเลยนะถ้าโทษปรากฏจริงๆเนี่ยมันทางใจตลอดเลยนะ มันอยู่ไม่สุขถามว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นไม่เป็นเลยเนี่ยมันก็เฉยๆแต่มันติดใช่ไหมไม่ได้สดับอสุตรวตโตเนี่ยเป็นคนหนาแน่นปุถุชนัสสาญาปุถุชนัสจาเนี่ยหนาด้วยราคะหนาด้วยโทสะหนาด้วยโมหะหนาด้วยมานาทิฏฐิวิจิกิจชาหิริกะอนุตตะปาอุทจักบางกลุ่มบางทีท่านก็ใช้นิวรห้ามันหนาแน่นบางกลุ่มก็เอากิเลสสิบมานหนาแน่น หรือว่ากิเลสพันธะต่างๆมาหุ้มลุมห้อมล้อมแล้วมีคติที่หนารอรับรองอยู่อย่างนั้นผุ้ดชนเป็นอย่างนี้หนาแน่นมากออกจากคติไม่ได้ออกจากวิบากไม่ได้ชนะวิบากที่ไหนแเราพวกเราเนี่ยยอมงคลมีวิบากอีกเพียบไม่ชนะวิบากมีกิเลสอีกหนาแน่นมากน่ากลัวไหมคือคือมองว่าเขาอ่อนเนะ่ยมองแทนแล้วเขาอ่อนถ้ามันอย่างนี้ จะให้ใช้ปลายเล็บขุดภูเขาซีเนลุให้ทะลุไหวไหมยอม <My God. S 1> อาจารย์นผมแต่ดีนะเราไม่ได้ขุดเองพระเจ้ามีแนวทางให้เดินนะแต่มัไม่ยอมเดินกันในสังสารวัตรนี่นะพระเจ้าวางแนวทางให้เดินหมดเลยในเอกายโนยังพิเกเวมาโคสอนหลักการวิจัยไปเสร็จนะไม่ยอมวิจัย ท, ทั้งทังที่บอกแนวทางเลยนะ จะไม่เอาอยู่เลยในที่ของพระเจ้าจะเอาของใครก็ไม่รู้นั่นไปอย่างนั้นแล้วเออม็นอย่างนี้ตรงนี้ก็คือว่าไม่ล่วงเลยรูปไปได้ปุโุชนคนขาวปุโรชนคนหนาแน่นด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยไม่สามารถจะเดินออกจากรูปได้ไม่สามารถจะเดินออกจากเสียงได้ไม่สามารถจะเดินออกจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากธรรมารมณ์ที่เป็นการที่เป็นไปในการปรภูมิรูปภูมิและ อารูปภเมิต้นได้เพราะยังยังมันเดินออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะความหนาแน่นของกิเลสใช่ไหมกิเลสมันก็ก็เหมือนกับถ้าพูดถึงมแมลงวันตัวนั้นมันไม่ยอมออกจากไองงบน้ำอ้อ ย, อยนั้นบินไปสะกพักบินกลับมาบินไปแล้วบินกลับมาเนี่ยเราบินกลับมาในโลกใบนี้กันไม่รู้กีล่ล้านล้านรอบแล้วก็คือมแมลงวันตัวหนึ่งดอลลาร์ มแ oh มลงวันตันั้นเป็นแมลงวันฉลาดพะยมบงคลไม่ฉลาดเลยกลับมาตอมอีกแล้วแล้วจะบินออกไหมยังเนี่ยตอนจุดติก็บินออกไปใช่ไหมก็บินกลับมาใหม่ในขณะปฏิสนธิอีกแล้วจุดติก็บินออกไปอีกแล้วเพอปฏิสนธิก็บินกลับมาอีกแล้วเข้าใจยังมันบินออกอยู่เลยแล้วก็บินกลับมาเลยบินออกก็บินกลับบินออกก็บินกลับอย่างเงี้ยเป็นได้แงแมลงวันพวกโง่เขา เนี่ยไม่ไม่ชนะวิบากไม่ชนะกิเลสไม่เห็นโทษเป็นปุถุชนคนหนาไม่สามารถจะเดินออกจากรูปเสียงกินรสสัมผัสและธรรมารมไปต้นได้ได้จะว่าไงอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยไม่ตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายในรูปไม่ตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายในเวทนาไม่ตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายของสัญญาสังขารวิญญาณไม่ตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายในรูปเสียงกินรสสัมผัสและธรรมารม ไม่ตั้งอยู่ความอยู่ในความเบื่อหน่ายของรูปายาธนาสัทธายตธนาเป็นต้นก็ไล่ไปทีไม่ตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายของจักขุโสตคานะชิวหากายะแล้วก็ใจใช่ไหมมันเห็นตาแล้วมันเบื่อตาแล้วเกิดเคยบอกเคยเป็นงี้ยไหมเบื่อมากเลยไม่อยากจะมีตาอีกแล้วเบื่อแบบปัญญาเนะไม่ใช่เบื่อแบบโทสะเบื่อเนอะโทสะเบื่อได้ไหมเบื่อที่ตานมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวนี้ต้องใช้แว่นเนี่ยนี่เบื่อแบบโทสะเบื่ออย่างนี้เดี๋ยวน้องไปเอาตาใหม่อีก ไม่ใช่ น, นี่ไม่ใช่นะ้เข้าใจยังลักษณะนี้เขาเรียกวุเวยขาที่ไม่ควรเสพแล้วเราเสพกันมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยกลับไปเนี่ยพอพูดตรงนี้เบอรเสร็จปุ๊บถ้ามันเกิดเวยขาประเภทนี้อีกก็ออกจากมันซสียใช้สัตทินซียวิตีนซีสเินซีสมาทินซียแล้วก็ปันยินซียที่บอกก่อนหน้าเนี้ยที่บอกไปประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยนะเอามาหมุนเพื่อจะออกจากอุเวยขาที่อาศัยเรือน น้องก็หาเบขาที่อาศัยเนคขมะออกจากโสมนสที่อาศัยเรือนน้องก็หาโสมนสที่อาศัยเนคขมะออกจากโทมนาที่อาศัยเรือนแล้วก็น้องก็หาโทมนาที่อาศัยเนคขมะเขา้าใจะยังเอาอินรีห้าพละาห้าเนี่ยนะเอาไปหมุนเข้าในกระแสจิตแล้วก็น้อมออกให้ได้ถ้ามันออกไม่ได้เนี่นยไปจะจมปากอยู่กันมันทำ ไ, ไมล่ะใช่ไหมจ๊ะไม่กระตุ้นตัวเองเลยใช่ไหมมันต้องกระตุ้นอย่างค่อนข้างแรงไหม มิยอมก็ถามมันมาแล้วถามบกวาเอ๊ะดูท่านเวลาพูดอะไรท่านจริงจริงมาจริงจริงมาว่าไม่พูดเล่นหรอกอกมาพูดจริงและแล้ว ม, มันเความตั้งใจแต่ว่ามันจะออกได้แค่ไหนนั่นอีกอย่างน ะ, ะมาเป็นคนมีความตั้งใจสูงบางทีบางทีไปบอกอะไรใครเนี่ยามันความตั้งใจอยากจะบอกให้เขาเข้าใจเขาใจมันอยากจะให้เขาเข้าใจว่าจริงๆมันไม่ทูไปเลยว่าบอกนั้นไม่ถูคนเดินอย่างนี้เดินอย่างที่พระเจ้าวางไว้อย่างนี้บางคนก็ฟัง เอดีเป็นกันอ้าวว่าไปก็ท่านว่าไปแล้วก็หลับต่อฮะพอกลับไปเขาบอกเออวันนี้ท่านพูดดีนะเนาะแล้ววันนี้ไปไหนอะโหมีงานยุ่งเลยก็ไปอะไรเดี๋ยวนี้ลืมแล้วไปแล้วไปไม่เห็นผลแล้วเดี๋นี้มาโพลอีกทีเจ็ดวันมาเห็นนะโว้ยบอบช้ําปแล้วโอ้โหแย่เกินช่วงนี้งานรัดตัวตัวไปหมดเลยเราไม่มีวันไหนเลยยังไงที่ก็จะชนะวิบากได้ไม่มีวันไหนก็าที่จะชนะกิเลสได้ ไม่มีวันไหนที่เขาจะเห็นโทษเลยเนี้ยเอาอย่างนี้โย่หมูอย่างนี้จะจะไปไหวไหมอันนี้เริ่มรู้ใช่ไหมว่าจริงๆตัวไหนอ่อนไปดูที่ว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนีไอ้อินไซอินรีห้ามันไม่แข็งแรงถ้าอินซีห้าไม่แข็งแรงเนี่ยจะถามบอกว่าไม่คิดเงยศรีรษะออกจากวัตถะเข้าใจคํานี้ไหมไม่คิดเงยศรีรษะออกจากวัตถะ ก็คือต้องการอย่าจม อ, อยู่ในวัตจะต่อไปนั้นแต่มันมีเหมือนกันในความคิดเนี่ยคือคือประเด็นเนี่ยบางทีเราไปคิดว่าเออาชีวิตเราอยู่แค่บุญส่วนเกิดก็ให้รู้อาบุญส่วนเกิดก็ให้รู้เนินพอที่ไหนแล้วใช่ไหมมันไม่พอมันไม่เพียงพอการวิจัยมันน้อยการป้องกันมันไม่มีมันไม่มีการป้องกันเลยมีโจรขึ้นมาบนบ้าน แล้วรู้ว่าเขาขึ้นมาแล้วจนมันกําลังล่ากของงัดเอาข้าวของลงไปก็อ๋อมันกําลังลากไปแล้วแล้วของหมดบ้านแล้วอ๋อหมดแล้วนี่หรือพระเจ้าสอนแบบนี้จริงหรือไม่มีไม่มีหรอกแล้วถ้ามีไปตรงไหนมาแล้วคิดว่าปฏิบัติอย่างนี้มันจะมันจะมันจะหลุดพ้นไปได้ไหมมันไม่ใช่ก็ต้องป้องกันนู่นนะ่ะปิดประตูปิดรั้วนู่น แล้วป้องกันถ้ามันยังมีออกก็ขับไล่ออกไปนั่นวิธีเขาเป็นอย่างนั้นทีนี้เราปล่อยให้เข้ามาเอาปล่อยบางคนก็ปล่อยการมเฉยๆคือคือตัณหาเข้ามาแล้วบางคนก็ปล่อยให้พยาบาทมันเข้ามาได้บางคนก็ปล่อยทีน้ำพิถามันเข้ามาบางคนก็ปล่อยอุทธจักอุตคุจจะเข้ามาบางคนก็ปล่อยก็เอ่ยลังเลสงสัยอยู่เลยเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะปฏิบัติยังไงตอนนั้นปฏิบัติมันเดินไหมเนี่ยมันไม่เดินแล้ว มันก้าวออกจากนิวรณ์ไม่ได้ก้าวออจะเครื่องกั้นไม่ได้ก้าวออกจากนิวรธรรมไม่ได้แล้วมันจะเดินยังไงปฏิบัติมันจะเดินยังไงมหาว่าจะเดินยังไงแบบนี้มันก็เดินไม่ได้ใช่ไหม règ? เอาถ้ามันเดินไม่ได้เราจะทําไงอ๋อตรงนี้เพราะเ <stretching S 1> พราะจริงๆอย่างที่บอกไงเราไม่มีครรําสอนรองรับทุ ก, ท, กทุกทุกจุดที่เราจะไปใช่ไหมเพราะไม่มีคําสอน ร, รองรับในทุกจุดที่เราจะออกเนี่ย มันก็เลยเดินบางบางช่วงมีบางช่วงการปฏิบัติมันเดินไม่ได้อยู่บางช่วงมันหยุดไปงั้นแหละมันไม่ยูบายในการที่จะต่อได้เลยเนี่ยแม่แม่แม่ในการที่ฟังทำนี่นะฟังฟังไปสักพักนึงอ่ะพุทธไปทางเขาจะแล้วเป็นบ่อยใช่ไหมจีเออเป็นเน่ะเอามาสังเกตมองหน้าก็รู้แล้วแล้วมันก็มันมันมันก็เลยเดินใช่ไหมเวลาจะเดินก็สู่คําสอนที่มันละเอียดกว่านี้เดินไม่ได้ เหมือนคนบางคนที่เขากล้จะเจ๊งอันเนาะเขาก็คิดทุกมุมเลยนะบางคนคนนี้ก็ธุรกิจเขาจะล้มอ่ะโอ้โหวิ่งหน้าดําก็มเครียดอะไรเนี่ยนะเขาเอาไม่อยู่เจ๊งเออมันปีสนะี่ศูนย์เนาะมันปีสนะี่ศูนย์ะโอ้โหธุรกิจล้มละเนร์แล้วเน่าเขาคิดกันนะล้มละเนรแล้วน่าเอาไม่อยู่นะเขาต้องไปขายไปยืนขายของเปิดท้ายขายของอยู่ตามที่ต่างๆเดี๋ยวพวกเราก็จะกลายเป็นอย่างี้ พยายามจะรักษาสถานะให้ได้นะข้าวนะข้ากระโนนเนี่ยเดีวก็เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการชาติปีทุกขาชาล า, ป, ป, า, าปีทุกขามีเมื่อพญาที่ทุกมาระนำปีทุกขังไม่ก็สร้างสารวัตเป็นนี่เข้ า, าใจใช่ไหมทอม้อไหมไม่ทอม้อเนียคิดว่าออกได้ไหมโยมบางคนเนี่ยออกให้ได้นะยังไงไม่อยู่แน่เนะไม่อยู่แน่ในภพนี้นะ เดี๋ยวเขาไล่เขาไม่อยู่กับคุณออกเวลาแล้วเดี๋ยวเขาเขาไล่หมดสถานะนี่เนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้เขามาทวงเรื่อยแล้วบอกออกมาได้แล้วต่อไปเขาจะไม่ให้เป็นพ่อคนแล้วใช่ไหมเขาจะไม่ให้เป็นพ่อคนจะไม่ให้เป็นพี่คนจะไม่เป็นอะไรสามีของใครเขามาทวงเย็นเย็นาตาเขาม้าหูจมูกเล็งกาจันเขามาทวงเขาทวงคืนหมดของยืมเข้ามา ใช่ไหมเหมือนความฝันไหมั่นรีบเร่งเจริญนะฉะนั้นเวขาเห็นปานนี้ที่ควรเสพคืออาศัยเนคขม่าเห็นปานนี้ชื่อว่าเวขาที่อาศัยเนคขม่าได้แก่ผู้เวขาที่ประกอบไปด้วิปัสนาญาณเนี่ยที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ยินดีในรมที่น่ารักแล้วก็ไม่ยินร้ายในรมที่ไม่น่ารักไม่รุ่มหลงเพราะขาดการพิพจารณาในรม มีความที่เป็นน่ารักและไม่น่ารักเป็นต้นเหล่านี้ที่มาสู่ครองของจากขุทวนันโซตัทาวานคานาทาวานชิวหายทาวานกายยะทาวานและมโนทาวานทีนี้อารมณ์ต่างๆก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองที่มันไหลเข้ามาสู่ทางทาวานตาใช่ไหมรูปอารมณ์มันมีเป็นถ้าอารมณ์ที่น่ารักก็ เ, เรียกว่าปียะใช่ไหมอารมณ์ที่น่ารักอารมณ์ที่ไม่น่ารัก คือเขารียวกว่าอิถารมกับอ น, นิธารมแล้วก็มัชชตาลมเขาแยกเป็นสามอิทธารมนี่คืออารมณ์ที่น่ารักอ น, นิธารมคืออารมณ์ที่ไม่น่ารักมัชชตารมคืออารมณ์ที่ที่เป็นกลางๆเนี่ยทีนี้อารมณ์ที่น่ารัเรา ก, เ ร, กเราก็ออกไม่ได้เราก็เราก็ออกไม่ได้แต่ถ้าหากว่าคนที่มีอุเบขาที่อาศัยเนกมามะก็คื อ, อเบขาที่อาศัยวิปัสนา เวขาที่อาศัยวิปัสสนานั้นน่ะจะไม่ไปยินดีในอารมณ์ที่น่ารัจากจะไม่ไปยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่น่ารักและจะไม่เฉยในมัตชัตารมณ์จะมีการวิจัยในรมนั้นอย่างทั่วถึงเข้าใจยังมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเคยไหมเห็นดอกไม้ก็มึนๆมันก็มันไม่คิดอะไรอ่ะมันเฉยๆอ่ะเห็นแล้วก็เฉยๆอย ง, งแต่ไม่พิจารณาเห็นโทษของสิ่งเหลนะ่านั้น กินอาหารทุกวันก็เฉยๆจริงๆอาหารนั้นมีโทษไหม ม, มีโทษมีโทษเยอะเลยถ า, ถาถว่าอาหารอร่อยไหมงั้นๆเละเฉยๆนั่นแหละมีโทษมันติดมันติดแบบเวขาที่อาศัยเรือนติดอยู่เอ๊ถามว่าเป็นไงนอนที่บ้านดีไหมก็ธรรมดาเอ๊ะธรรมดาเนี่ยติดแล้วนะมันอาศัยเรือนแล้วเพราะขาดการเพ่งพินิษ พราะขาดการวิจัยเพราะขาดการพิจารณาเอาวิจัยยังไงต่ำแน่วิจัยเนื้อเนี่ยไอที่บอกอย่างนี้ยังไม่รู้นะว่าจะวิจัยยังไงใช่ไหมถ้าวิจัยได้ป่บเนี้มันเห็นโทษของของมัชาตาอารมณ์ที่เป็นกลางๆไว้ตั้งนานแล้วนี่มันขาดการวิจัยจริงไหมยมสุวรณว่าจริงมาเอ่ออารมณ์ที่น่ารักอารมณ์ที่ไม่น่ารักแล้วอารมณ์ที่เป็นกลางๆนะอารมณ์ไหนมีโทษมากที่สุด อารมณ์ทุกๆอารมณ์เนี่ยนะที่เราไม่เข้าไปรอบรูมม้มีโทษหมดมีโทษหมดเพราะมีโทษก็คือว่าอารมณ์ที้น่ารักมันทําให้ติดไหมตัณหามันจะทําทําทําปัญหาก็เข้ามาการไม่ฉันท่าความยินดีว่าเมิดเพลินก็มาครอบงําจิตอารมณ์ที่ไม่น่ารักกับโทสะความพยายามความเครียดต่า ง, งๆก็เข้ามาครอบงำอารมณ์ที่เป็น ม, มัชฌตาอารมก็โมหะ คือความหลงความไม่รู้ตามความจริงก็มาปิดเพราะขาดการพิมพพินิษฐและพิจารณามีโทษหมดไห้ยจมอยู่ในวตาจริง้ทีนี้วิธีการวิจัยเนี่ยปัญหาคือว่าเราเฉยๆเนี่ยถามว่ากรณีที่ยกตัวอย่างนะว่าถ้าเรานึกถึงตนเองก็ไม่เห็นมีอะไรก็ยังเฉยๆเนี่ยนะเป็นบ่อยไหมพอพิจารณาถึงตาถึงหูถึงจมูกถึงลิ้นถึงกายถึงใจ ถึงผมคนละก็ยังไม่มีอะไรน่ะยังพอเป็นไม่ได้ก็เฉยๆเนี่ยนะไอพิจารณาอย่างนี้ไม่เห็นอะไรไม่เห็นโทษของรู ป, ปรขันที่จริงรู ป, ปรขันเนี่ยนะคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะที่ส่วนไประบเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไอคือดินน้ําไบลมที่เกิดจากกรรมดินน้ําไบลมที่เกิดจากจิตดินน้ำใบลมที่เกิดจากอุตุแล้วก็ดินน้าไบลมที่เกิดจากอาหารในส่วนของกลุ่มที่กรรมมาชรูปจิตตชื้อโรคอุตุชรูปต่างๆเนี่ย มันกําลังเป็นไปอยู่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยร้วนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะปัจจัยที่ทําให้เขาเกิดขึ้นนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวมันดินอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้คงทนอะไรเลยมีแล้วกลับไม่มีอยู่ตลอดใช่ไหมมันถูกการเกิดและความดับนี่ยเบียดเบียนเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยว่างั้นจะเราจะหาสาระของความงามในนี้ก็ไม่ได้เป็นต้นเหล่าเนี้ไอการวิจัยอย่างนี้มันขาดไป เพราะเราไม่เห็นปัจจัยของเขาส่วนหนึ่งไม่เห็นไม่รู้จากตัวเขาอีกส่วนหนึ่งการที่จะย่างลงสู่สภาวะของวิปัสสนาญาณที่ไปย่างเห็นอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะแล้วก็นาตาลักษณะมันจริงไม่ใช่ฐานะเลยใช่ไหมมองเห็นไหมมันเฉยเพราะมันขาดการยิ่งพินิดเพราะขาดการวิจัยถามว่าทําไมธรรมะวิจยยสามโบชงยังไม่เดินเพราะอะไรทําไมธรรมะวิจยยสามโบชงยังไม่เดินอ้าวถ้าเพราะอะไร ธรรมวิจยะสามพุทธชน ม, มันไม่เดินเนี่ยเพราะว่าปัจจัยของธรรมวิจยะสัมพุทธชน ม, มันไม่เกิดอุเบกขามันก็เกิดแทนใช่ไหมที่มันม่มนอาศัยมันอาศัยเรือนแต่ท่านในกรณีที่อุเบกขาอาศัยเนคขมามันเกิดขึ้นแปลว่ากลุ่มธรรมวิจัยเขาเกิดนะในสุดจริงๆเขก็เห็นโทษดังที่ได้กล่าวอุเบกขาที่อาศัยเนคขมาชะเนคขมาสีตาอุเบกขาเป็นชไหนก็คืออุอเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้รู้แจ้งรู้แจ้งยังไง ความไม่เที่ยงนั่นเองมีความแปรปวนมีความคลายไปมีความดับไปของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสของธรรมารมณ์เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์นั้นได้ปัญญาณชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปทั้งหลายทั้งในเมื่อก่อนและทั้งในบัดนี้เสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์เป็นต้นที่นั้นเมื่อก่อนและในบัดนี้รูปเสียงกลิ่นรสธรรมารมณ์หลอบลมเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ มีความแปรปวนเป็นธรรมดาตรงนี้ท่านอธิบายตรงนี้เป็นสูตรแต่ไม่ใช่ไปมองเพ่งเพียงแค่รูปไม่เที่ยงไม่ใช่ดูอย่างนั้นไอ้รูปไม่เที่ยงเนี่ยเพราะปัจจัยของรูปเนี่ยไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เพราะปัจจัยของรูปเนี่ยเป็นทุกข์เอางี้ยอมมงคนโกรธทําให้หน้าแดงไหมไอ้รูปปารมณ์ที่มันแดงขึ้นมาเน่ยเพราะเเกิดจากมาพุทธรูป ไอความโกรธที่มันอยู่ในใจเที่ยงไหมท่านตัวรูปที่มันมีโทสะเป็นปัจจัยถึงไม่เที่ยงไงท่านให้ดูแบบนี้ท่านให้ดูสองส่วนแบบนี้เป็นต้นแต่จริงๆมันไม่ดูสั้นๆในน้อยอย่างนี้นะนี่ยกตัวอย่างเพื่อจะใหได้เห็นเวลาโยมมงคลเกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินขึ้นมา ป, ป๊บรูปที่มันเกิดขึ้นจากความกำหนัดยินดีจากหน้าตาเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันก็เป็นไปอยู่ แต่พอสภ า, สภาวะของไอโลภะเนี่ยมันดับไปรูปนั้นก็หายไปด้วยเข้าใจไหมฉะนั้นกรณีที่ธรรมะวิจัยสติสมบัชัญญาติเป็นต้นเหล่านี้ที่จะเข้าไปวิจัยสิ่งต่างๆเหล่นี้ยมันต้องชัดมันจะได้เห็นทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวปัจจัยของเขายอมสบายในหงมองเห็นไหมเ ข, ขออ้าใจไหมแบบเนี้ยเวลาโกรธรูปก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาโลภรูปก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาหลงรูปก็เป็นอย่างหนึ่งเข่าใจไหม ศรัทธาเกิดขึ้นเป็นหนึ่งก็เป็นไปลักษณะนี้ทั้งสภาพของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมทั้งหลายที่มีปัจจัยต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องและต่อเนื่องก็ตรงนี้แหละความแปรปวนความลายไปดับไปแล้วก็เห็นรูปได้ปัญญาชอบตามความเป็นจริงรูปทั้งเมื่อก่อนแล้วก็บัดนี้รูปนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้มีความแปรปวนเป็นธรรมดาวเบขาเห็นปานนี้วเบขานั้นไม่ร่วงเลยรูปไปได้เพราะฉะนั้น อุเบกานั้นจึงเรียกว่าอาศัยเนคขมะนี้เป็นต้นอุเบกานั้นไม่ร่วมเลยลูกไปได้อะไรแปผิดนะนี้อุเบกขาคืออุเบกขาแบบนี้เป็นอุเบกขาที่ไม่ติดอยู่ในโลกอุเบกขาแบบนี้อุเบกขาที่ไม่ติดอยู่ในเสียงไม่ติดอยู่ในกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมะลมต้องต้องบอกอย่างนั้นนะก็ใช่ก็คือไม่ติดข้องไม่ติดข้องไม่เหมือนกับเวขาอาศัยเนกขมมะไม่เหมือนแมลงวันติดงบนืม้อย นันถ้าอุเบกขาใส่เนกธรรมะนี่เขาใส่วิปัสนาเป็นต้นเนี่ยอุเบกขาที่ใส่วิปัสนาเนี่ยเขาไม่ติดข้องในรูปเส้นกินรสสัมผัสไร้ตามอารม์ใช่ไหมแต่ถ้าอุเบกขาที่สใส่เนกธรรมะก็ติดเหมือนแมลงวันติดงบน้ะมอญเราเป็นแมลงวันไหมย้อนหวานเป็นไม่เป็นเนก็วน อ, อ, อยู่ในห้องครวัวได้แหละเออเห็นไปไหนดีนอะรวันวันอยากเป็นแต่มันก็เป็นอยากเป็นแมลงวันติดงบนะมอญ ดีนะที่อาจารย์คาถาอาจารย์ท่านอุปมาแค่งบน้ำมอยแมลงวันมันติดเฉพาะงบน้ำมอยหรือเปล่ามันติดอย่งอื่นได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละที่จริงท่านไม่กล้าพูดคํานั้นท่านเกรงใจเลื่ออพอนแรงไปหนึ่งไม่ใช่คําสอนนะมาว่าไปตามคำสอนนะไอ้เนี่ยมาเดินไปตามคําสอนเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องการจะพูดตาหนิแต่พูดต้องการ ต้องการดึงก็เหมือ น, นกันจริงๆเวลามาพูดกีกับพระเนี่ยมาพูดหนักกันแนี้คือขนาดพูดอย่างนี้ยังตาลอยลอยกันเลย <c oughs> พูดอย่าพูดยังตาลอ ย, <c oughs> อยลอยภ <c oughs> าษาภาษานักกีฬานักวิ่งเนี่ยเ <c oughs> ข้ามองตานะนักมวยนักกีฬานักวิ่งต่างๆเหล่านี้เนต่าง ๆ, ๆเขาจะมองตาก่อนนะก็ดูตาลอยเนี่ยแปลว่าพวกไม่สู้แล้ว เขาโยนผ้าเงี้ยก็โยนผ้าแล้วพี่เลี้ยงโยนผ้าแล้วผมไม่ไหวโบกมือยังพวกเราเป็นประเภทนั้นอีกอย่างตอนนี้ยอมมองตาลอยอ่ะตา้อ ย, ยอยย่ยังเนาะ ย, ย, ยังยังไหวยเนา ะ, ะตรงนี้ก็คืออะไรอุเบกขาใจนี่นข้มาอัะการต่อมาอีกอย่างหนึ่งเนาะตรงนี้ก็คือถ้าวิจัยก็วิจัยไปได้เยอะเดี๋ยวจะต้องรีบเร่งแล้วอุเบกขานะ